พออ่อญาตโยมและท่านผู้ฟังทั้งหลายแล้วก็นมิมนต์เพื่อนที่สุดสมเองในกลางวันวันนี้ซึ่งผมงเรื่องพ่อธรรมดานี่เองจะได้ให้ข้อคิดเป็นเครื่องเตือนจิตสกิจใจของพวกเรากำลังสั่ประาหาร ในขนาดเรียกว่าอาหารกลางวันวันนี้เป็นวันที่22มกราคม2526ตรงกับวันขึ้นเข้าคำ่ำวันเสาเร์เดือนสามดังนั้นวันนี้ซึ่งพวกเราได้มาประพฤติปฏิบัติ ธ, ธรรม ในทางพระพุทธศาสนาแต่ส่วนมากคนไทยเราถือพุทธศาสนานั้นมักจะพูดกันว่าพุทธศาสนานี้ไม่ให้ความเป็นธรรมแต่บุคคลผู้ที่ถือพุทธศาสนาชอบมีการพูดอย่างนี้กันมากแต่ความจริงแล้ว พุทธศาสนาหรือพระพุทธเจ้าก็ตามช่วยอะไรไทยที่ไหนไม่ได้เพียงท่านแม่แนวปฏิบัติให้พวกเราได้ยินได้ฟังแล้วก็นำไปประพฤติปฏิบัติตัวเองไม่ใช่ว่าเห็นพระพุทธเจ้ายกมือไหว้ท่านแล้วท่านจะช่วยเราไม่ใช่อย่างนั้น ดังนั้นการปฏิบัติธรรมจึงเป็นสิ่งที่จําเป็นแก่มนุษย์ทุกชากทุกภาษาทุกเพศทุ ก, ทกวัยจะถือศาสนาไหนนุ่งผ้าเสีอะไรก็ตามจะเป็นภิกสุสมมเนธก็ ก, ก็ตามหรือเป็นครวดญาญโยงก็ตามท่านแนะนววิธีปฏิบัติให้พวกเราแล้ว พวกเราต้องนำไปประพฤติปฏิบัติในศีวิตของเราอย่าเข้าใจว่าท่านจะไปช่วยในชีวิตของเราอย่าเข้าใจอย่างนั้นถ้าเข้าใจอย่างนั้นเป็นการขาดคิดเอาไม่รู้จริงเมื่อผู้เช่นนี้จะเล่าประวัติของตัวเองให้เพื่อนทิสตุสมาเนและครวญญ า, าโมผู้ที่ กำลังฟังอยู่ในขณะนี้หรือกำลังสันอาหารอยู่ในขณะนี้สำหรับตัวของข้าไปเจาเองพ่อเป็นคนไทยแม่ก็เป็นคนไทยตัวเองเกิดมาก็เป็นคนไทยทันทีแม่พ่อก็เป็นสาวพุทธแม่ก็เป็นศาวพุทธตัวเองเกิดหลุดจากท่องแม่มาก็ต้องเป็นสาวพุทธได้เข้าใจอย่างนั้น อันนั้นมันเป็นสาวพุทธโดยสมโนครัวเท่านั้นแต่ยังไม่รู้ว่าพุทธศาสนาแท้จริงคืออะไรอยู่ที่ไหนไม่รู้เมื่อใหญ่ขึ้นมาในระหว่างอายุสิบเอ็ดปีกว่าก็เลยบวชเป็นเนนพอตายตั้งแต่ตัวเล็กๆเด็กเคยไปนอนนากับพอพอเคยเล่าในทานเรื่องนั้นเรื่องนี้ให้ฟัง เมื่อมาบวชเป็นเนรก็ได้เรียนกับมาถานกับอาจารย์อาจารย์สอนวิธีพุถโอนั่งขัดสมาธิแล้วก็หายใจเข้ากอดพุทธหายใจออกกอโททาอยู่เป็นเวลาปีหกเดือนจากนั้นมามีอาจารย์สอนให้เรื่องสมอลาหังก็ได้ทำมาจากนั้นมามีอาจารย์มาสอนวิธีนับหนึ่งสองสาม ถึงสิบนับจากส0บลงมาถึงหนึ่งวิธีเหล่านี้ได้ทำมาได้เรียนมากับครูอาจารย์ทั้งนั้นจากนั้นมาใหญ่เป็นโยมีครอบครัวแล้วสมัยนี้มีครอบครัวแล้วมาที่จังหวัดอุดรปรากฏว่าในขณะนั้นวิธีพองยุคขึ้นมาใหม่ๆพอได้เรียนจากอาจารย์ อาจารย์ก็ให้ตาราไปด้วยวิธีนี้ทำมาอยู่ในระยะแปดปีทำวิธีของนุษย์ทำมาอนาตานสติหายใจเข้าสั้นออกยาวนี่ลมหยากลมละเอียดนี่ทำมาแต่ความปรากฏทราบซึ่งในจิตใจของตัวข้าพระเจ้าเองไม่มีมีแต่ได้รับความสงบ ยังไม่เข้าใจว่าพุทธศาสนาแท้จริงอยู่ที่ไหนคืออะไรไม่รู้ตัวของข้าพเจ้าเองนี่แต่คนอื่นอาจจะรู้เพราะว่าเรามันไม่มีปัญญามันก็เลยไม่รู้ต่อมาเมื่อได้มาเจริญสติวิธีการเคลื่อนไหวนี่แหละมีความมั่นใจว่าพุทธศาสนาสอนคนทุกคน ไม่ใช่จะสอนตั้งแต่ว่าสาวพุทธเท่านั้นใครที่ไหนก่อก่อตามท่านสอนได้เนั้นควรมั่นใจเกิดขึ้นในตัวเอวการให้ทานการรักษาศีลมันดีแล้วแต่มันเป็นเพียงศาสนาไม่ใช่เป็นพุทธศาสนามันแยกศาสนาและแยกพุทธศาสนาออกจากกันได้การให้ทาน นี้ข้าพระเจ้าเคยทำมาแต่เมื่อสมัยเป็นหนุ่มให้ทานมาเส้นบทนาอย่างน้อยต้องสิบสิบกองบทนาหนีน่และกองกระถินอย่างน้อยต้องสิบกองทามาแต่ยังไม่รู้ว่าพุทธศาสนาคืออะไรบาปบุญคืออะไรไม่รู้แต่กลัวบาปแต่ไม่รู้บาป แต่ทั้งทั้งตัวเองทำบาปอยู่ก็ยังไม่รู้บุญก็เหมือนกันทั้งทั้งตัวเองมีบุญอยู่ก็ไม่รู้เนื่องจากไม่มีสิ่งที่ปรากฏภายในจิตใจของเราคือธรรมชาติยังไม่ได้สอนว่าอย่างนี้ก็ได้เมื่อธรรมชาติถูกสอนจะรู้จริงๆเข้าใจทราบซึ้งโดยที่ไม่เบล่ยงเบไม่วั่นไหวต่อใครที่ไหนเลยเป็อย่างนี้ ดังนั้นวันนี้จึงจะนำมาเล่าสู้เพื่อนภิกษุสมเณีและครวาดญาตโยมผู้ที่กำลังมาประพฤติปฏิบัติธรรมอยู่ในวันนี้ซึ่งวัสดสนามในเคยเปิดอบรมกันมาเป็นระยะเวลาสองสามปีติดติดกันมาแต่ข้าพระเจ้าก็ได้มารวมวันนี้ไม่ใช่เป็นการเปิดอบรมแต่มีพวกกลุ่มนักศึกษา เทนาลมว่าจะมาปฏิบัติธรรมเพื่อฝึกหกนักกรรมฐ า, านหรือวิปัสนาวันนี้จึงจะพูดเรื่องวิปัสนาโดยเฉพาะเรื่องกรรมฐ า, านนั้นไม่ใช่เป็นเรื่องพุทธศาสนาท่านผู้ฟังทั้งหลายจงตั้งใจฟังและพิจารณาที่ท่านไม่เคยอ่านหนังสือหรือได้เรียนหรือเห็นคนพูด หรือได้ยินคนพูดเห็นทำต า, ตามตามกันมานั้นเราต้องฟังดูในสมัยเมื่อเจ้าชายสิทธัตถกุมารเกิดออกมาก็มีการให้ทานมีการเลี้ยงพามเรียกว่าศาสนาพามอันนั้นให้เข้าใจว่าศาสนาพามจากนั้นเมื่อเจ้าชายสิทธัตถกุมารมีครอัวปรากฏว่าได้กับนางพิมพา มีลาหุนได้ลาหุนเป็นบุตรเป็นลูกอันนี้ก็ยังไม่เป็นพุทธศาสนาเป็นเพียงคนเหล่านั้นถือศาสนาพราหมเป็นศาสนาพาหม์จากนั้นท่านก็เลยออกบวชเมื่อออกบวชก็เห็นรูปสมณะเทศสมณะเทพก็แปลว่านักบวชนั่นเองก็มีมาก่อนพุทธศาสนาเรยว่าศาสนาพาหมนั่นเองจากนั้นท่านก็ บทแล้วก็ไปหาศึกษาเล่าเรียนตามครูบาอาจารย์ต่างๆที่ปรากฏมีภรูบาอาจารย์และพ่อแม่ปู่ย่าตายายเคยเล่าให้ฟังว่าไปศึกษากับอาลาดาบทและอุทกาดาบทสองอาจารย์นี้อาจารย์คนแรกสอนให้และท่านกนเรียนจากอาจารย์คนแรกได้สมบัติเจ็บ โน้มสาลสี่โน้สา ร, 4, รสามโนสมาบัจเจเข้าสารออกสารได้คล่องแพร่ว่องไวเหมือนกับอาจารย์ทุกแง่ทุกมุมเมื่อเหมือนกับอาจารย์แล้วถามอาจารย์อาจารย์ก็บอกว่าหมดความรู้ที่จะสอนแล้วถ้าองค์เห็นว่าทางนี้ยังไม่ถูกต้องท่านก็ลาจากอาจารย์คนนั้นไปเรียนจากอาจารย์คนที่สอง อาจารย์คนที่สองสอนให้ได้สมาบัติแปดว่าลูกสารสีกก่อาลูกสารสี่เมื่อได้สมาบัติแปดเข้าสารออกสารช่องแท้ว่วงไวเหมือนกับอาจารย์ทุกเงยทุกมุมแล้วถามอาจารย์อาจารย์ก็ว่าหมดควมรู้แล้วเมื่ออาจารย์หมดควมรู้แล้วก็คิดในใจว่านี่ก็ยังไม่จะเป็นทางพุทธศาสนายังไม่เป็นทางดับพุก พระองคิดอย่างนี้เมื่อพระองคิดอย่างนี้แล้วก็เลยลาอาจารย์อาจารย์ก็ยังไม่พอใจอยากให้ประกาศศาสนาที่เรียนนำกอาจารย์นั่นแหละพระองค์ก็ไม่พอใจก็เลยลาหนีเมื่อหนีจากอาจารย์ใจสกากดที่พ่อแม่ปู่ย่าตายายเคยเล่าให้ฟังและครูบาอาจารย์ก็เคยเล่าให้ฟังอีกด้วยว่า มีปัรจารยขี์ทั้งห้าติดตามไปด้วยเมื่อติดตามไปก็ไม่มีครูไม่มีอาจารย์คิดยังไงว่าจะเป็นทางดับทุกข์ได้พระองค์ก็ต้องทำโบนมาก็มาอดข้าวคิดว่าเป็นนำกินข้าวมันจึงมีกิเลสอดข้าวอดน้าคิดว่าเป็นนำกินน้ามันจึงมีกิเลสหรืองนกับพูดกับคุยนี่เองก็ไม่พูดไปคุยกับใคร อันนี้ทุกคนที่เคยเข้าวัดและเคยศึกษาเนืเรียนคงจะได้ยินได้ฟังมาไม่มากก็น้อยเรื่องนี้เมื่อพระองค์ทำทุกกะกิริยาอันนั้นปรากฏว่าเมื่อหนังเนี่ยแห้งไปหมดเหลือแต่หนังเอ็นกระดูกัดลึงกันเอาไว้เท่านั้นเองทำขนาดนั้นก็ยังไม่ได้ตัดสรูปเป็นพระพุทธเจ้า อันนี้เรียกว่าทิฏฐิคือควมเห็นถ้าพูดตามตำหลักตำนาก็เรียกว่าอัตตะกีระปัฏฐุโยคทำแข้งคัดขนาดนั้นก็ยังไม่ได้จัดสรุปเป็นพระพุทธเจ้าอันนี้ก็แสดงว่าศาสนาที่ทํามาแล้วนั้นไม่ถูกต้องยังไม่จัดเป็นพุทธศาสนาเป็นเพียงศาสนาเท่านั้นศาสนาแปลว่าคําสร้างสอนของท่านผู้รู้ คนได้รู้เราต้องสอนเรื่องนั้นมาดังนั้นจึงศาสนามีมากมีศาสนาฐีศาสนาธรามศาสนาเวดาอย่างนี้นเราเข้าใจกันมาดังนั้นศาสนาแรกเริ่มที่สุดคือศาสนาฮินดูที่เราเคยรู้กันว่าเรียกว่าศาสนาพราหมณ์มันเองเรื่องสวรรค์นิพพานก็มีมาก่อนแล้วเรื่องทางดับทุกข์มีมาก่อนแล้ว แต่ยังไม่มีใครคนพบคือเจ้าทรายศิทะกุ ม, มารที่เราเคาลดนับถือว่าเป็นพระพุทธเจ้านั่นเองคนพบเป็นคนแรกที่สุดยุคสมัยปัจจุบันที่พวกเรากำลังศึกษากันอยู่พวกวันนี้เมื่อทำทุกข์กิริยาจนไปไหนมาไหนไม่ได้แล้วก็เลยเลิกละเห็นว่าทางนี้ไม่ใช่เป็นทางดับทุกข์จริงๆเพราะโอเคเลิก จากวิธีการเหล่านั้นมาสันผนลไม้สันผนลไม้มาขำป้อมาส้มมอที่บ้านของข้าพเจ้าเรียกว่ามาขามป้อมาส้มมอแต่เรียกตามภาษาอื่นๆเรียกผนลไม้เมื่อพระ อ, องค์สันผนลไม้อันนี้ขึ้นมามาขำป้อมาส้มสมอนี้ขึ้นมาพวกปัญจวัคคีย์ทั้งห้าก็เห็นว่าพระองค์นี่ขายพวงเพียนเวียนม า, มามากๆเสียแล้ว คงจะไม่ได้ตัดสรูลเป็นพะระพุธเจ้าพวกปัญจวิชิทั้งห้าคนปล่อยปะเลิกหนีไม่ปูกปะทำพระ อ, องค์ก็อยู่คนเดียวไม่ว่าหนีตัวคนเดียวพวกนกั่งคนนี้ไปเลยปะกันเลยเมื่พอพระองค์โบนไปก็ปรากฏท่านเล่าให้ฟังว่าขอแม่ปู่ย่าตายายแม้ครูบาอาจารย์เล่าให้ฟังพระ อ, องค์สั่นขนไม้ไป นี่เรียกว่าสะกดกายสะัดวาจาจิตใจยังไม่สงบไม่สนัดบางครัง้งบางคราวคิดถึงพวกสัญจาวาคีทั้งหะที่แรกอยู่ด้วยกันหกคนเดี๋ยวนี้ก็ไปคนเดียวพวกห้าคนก็หนีจากเราไปแล้วบางครัง้งบางคราวคิดถึงบ้านอยากคิดถึงลาหุนและติมพาคิดถึงทรัพย์สมบัติเพราะเราเคยอยู่ดีกินดีทําไมเรามาทรมานอย่างนี้ แต่เราเดาเดาคิดเอานะเรื่องนี้คิดเอาเองนี่แสดงว่าศีลเหล่านี้ยังไม่ได้เป็นพุทธศาสนาพระพุทธเจ้ายังไม่อุบัติขึ้นมาในโลกแต่เรื่องการทําบุญรักษาศีลทําสมถะกรรมฐานนั้นมีแล้วนั่นเป็นเพียงศาสนาพรามยังไม่ได้เป็นพุทธศาสนาโดยมากคนไทยอันใดอันใดก็ตามเรียกว่าพุทธศาสนา ภาคพระเจ้าสอนทั้งนั้นเข้าใจกันอย่างนี้ตัวข้าพระเจ้าเองก็เข้าใจอย่างนี้นึกว่าทําบุญแล้วตายไปเกิดสวรรค์ทําบาปแล้วตายไปตกนรกเข้าใจอย่างนี้ร้อยเปอร์เซ็นตัวข้าพระเจ้าเองเรื่องนี้ไม่เคยทําผิดสิ่งผิดธรรมเนี่ไม่เคยทํา เ, เพราะกลัวบาปจริงๆแต่เราตกนรกก็ไม่รู้ เราอยู่กระ บ, บาก็ไปรู้เพราะเราไม่เข้าใจหลักพุทธศาสนานี่เองบ่นนี้ก็เลยพระองค์ปรากฏที่พ่อแม่ครูบาอาจารย์เล่าให้ฟังว่าไปพบคนางสุดสดานางสุดสดาเอาเข้าไปปวงสวงเทวดาว่าอย่างนึนแล้วพระองค์เปรตได้กินข้าวนางสุดสดานี่แหละบทที่กินข้าวนางสุดสดานี้ฟังกันอีกตั้งใจฟังให้ดีบทนี้ เราต้องใส้สติปัญญาพิจารณาหาของจริงไม่ใช่หราใครพูดแล้วจะเสื้อไปทั้งหมดฟังไปเอาไปปฏิบัติทั้งหมดอย่างที่ข้าพเจ้าเป็นมาแล้วอย่นี้เมือ่อึิเข้านางสุดสนานี่ถามนางสุดสดาว่านางจะถาวายตั้งแต่ข้าวหรือจะถาวายทั้งหมดนางก็ตอบพระองค์ว่าจะถาวายทั้งหมดไม่เอาอะไรกลับคืนบ้าน เมื่อพระองค์เข้าใจทราบซึ้งคําพูดของนางสุสดาแล้วพระองค์ก็กินข้าวอันนั้นหมดแล้วนึกข อ, อแล้วก็เลยหยิบออกขันนึกท่าแค่นั้นแหละไปลิ้มแม่น้ําพอได้ไปพอไปถึงลิ้มแม่น้ำแล้วก็เลยคิดอธิษฐานในใจว่าข้ากระเจ้าจะได้ตัดสิรู้เป็นพระอหรหันต์ข้ากิเลตตายท้ายกิเลตจึงจริ ง, ร ง, รงละบัดนี้หน แล้วข้าพระเจ้าวางธาตุหรืขันใบนี้ลงไปในแม่น้นํานี่วางลงผิวน้ํายองผิวน้นํานี้ให้น้ําเนี่ยควรเอากระแสควรเอาขันใบนี้แหละไปตามกระแสของน้ําขึ้นไปข้างเหนือย่าไหลไปตามกระแสของน้ําว้อย่างนั้นให้มันขึ้นไปถึงที่สุดของน้ําก็เลยหวาว่าอย่างนี้เป็นหมดแล้วบทที่ฟองว่าหากว่าตรงกันข้ามข้าพระเจ้าจะไม่ได้ตัดสรุป ไม่ได้เป็นพระพุทธเจ้าจ ร, จริงๆข่ากิเลสไม่ได้ขายกิเลสไม่หลุดเพราะอย่างนี้เนี่วางขันลงไปบางขันไปนี่ลงไปให้มันไหลไปตามกระแสของน้ำว่ายเมื่อพูดจบแล้วก็เลยวางขันลงไปบนผิวน้ำนในแม่น้ำนั้นน้าก็เลยเอาขันนั้นทวนกระแสขึ้นไปไหลขึ้นไปข้างเหนือไปหาต้นน้ำวายอย่างแล้วพระองค์ก็เลยขึ้นมาบาเพ็ญท่ต้นโพ เลยได้ตัสรูเป็นพระพุทธเจ้านี่เป็นพระพุทธเจ้าแล้วนข่าวนี้ตอนที่พระองค์จะได้เป็นพระพุทธเจ้านั้นท่านบำเพ็ญทางจิตว่าอย่างที่ได้หินได้ฟังมาจากพ่อแม่รูกบาอาจารย์ปุยญาตายายเคยสอนมาว่าพระองค์ตัสรูเพราะการทำทางจิตเดี๋ยวนี้ปัจจุบันนี้เมื่อพูดทางจิตใจลกบางคนก็ไม่พอใจ นางคนก็พอใจคาว่าบำเพ่นทางจิตนี่เรามีเหตุผลอย่างไรเข้าใจที่ตรงไหนก็เลยไปเข้าใจว่าพระองค์นั้นเป็นผู้มีวาสนาบารมีสร้างสมมามากแล้วหลายกลับหลายกันแล้วจึงทวนกระแสของน้ำได้เข้าใจอย่างนั้นควงจึิงน้ำนั่นเรียกว่ากิเลสคือจิตใจมันคิดไปในข้างต่ำน้ำใจไม่ใช่เป็นน้ำอย่างน้ำเจ้พยาหรือน้าโอง โลน้นมูลน้ำอะไรก็ตามที่มันไหลไปไม่ใช่อย่างนั้นแต่คนธรรมดาเรานี่ไม่เข้าใจตัวข้าพระเจ้าเองก็ไม่เข้าใจสมัยนั้นไม่เข้าใจจริงจริงนึกว่าป้าเข็ดจริงๆความจริงแล้วพระองคคิดว่าสิ่งใดทุกสิ่งทุกอย่างทำมาแล้วยังไม่ได้ทำทางจิตทางใจเท่านั้นพระองค์คอยดูจิตใจที่มันนึกคิดขึ้นมา ท่านก็เลยรู้แต่ว่าทวนกระแสของคมคิดคคิดมันคือมันคิดไปร้อยอันทันเรื่องเราไม่รู้แต่ละวันๆวันเนี่ยคนเรามันคิดนั่งกะคิดนอนกะคิดยืนกะคิดเดินกะคิดมันคิดอยู่ยางนั้นตลอดเวลาแล้วคนก็เลยไม่รู้ควมคิดแต่มันคิดเรื่องอะไรมาจากที่ไหนไม่รู้ดังนั้นพระองค์จึงสอนให้เรากำหนด ในอิริยาบถทั้งสี่ยืนเดินนั่งนอนให้มีสติเข้าไปกำหนดรู้ในอิริยาบถอย่างนี้ท่านเคยพูดไว้อย่างนี้และพ่อแม่ครูบาอาจารย์เคยพูดให้ฟังอย่างนี้แต่ไม่ได้เห็นพระพุทธเจ้าพียังพ่อแม่ครูบาอาจารย์เล่าให้ฟังเรื่องนี้ทำอย่างนั้นอยางไม่พ อ, อยังย้ำเขาอีกว่าให้มีสติกำหนดรู้ในอิริยาบถทั้งสี่ แล้วให้มีสติกำหนดรู้ในเรียบหยดอยขููเหยียดเคลื่อนไหวโดยวิธีใดก็ให้มีสติเข้าไปกำหนดรู้ท่าย้ำ ม, มานี่และพวกเราไม่ทำตามอย่างนี้ก็ไปยทำตามอย่างอื่นหาว่าเราทำตามพระพุทธเจ้าแต่พระพุทธเจ้าสอนไม่เอาไม่ฟังเสียงเลยพระพุทธเจ้าสอนตอนนี้พระองค์ได้ตักรูปเป้เต็มพระพุทธเจ้าแล้ว ดับทุกได้อย่างสิ้นเฟิงแล้วแบบ น, นี้ปรากฏที่พ่อแม่ครูบาอาจารย์เล่าให้ฟังว่าจะไปโจรเอาพวกเป็นจาวกีทั้งห้าทีแรกว่าจะไปโจรเอาพวกอาจารย์อาลาดาบทอุตคารดาบทสองอาจารย์นี้เลงงานไปว่าสองคนหรือสองอาจารย์นี้ตายแล้วออ่ยางคําว่าตายหรือจะตายหมดลมหายใจแล้วก็ไม่ทราบหรือว่าตายโดยมีทิฐิล้วก็ไม่ทรา เพราะคนเราถ้ามีความรู้และมีทิฏฐิมากไม่เชื่อฟังคําอย่างที่เจ้าชายสิท ธ, ธาอุ ม, มาเนี่ยนะเคยเป็นลูกศิษย์บัดนี้จะมามีคนรู้ดีเหนือเราได้อย่างไงอาจจะคิดอย่างนั้นก็เลยว่าตายแล้วก็ได้ไปสอนแล้วจะไม่ฟังเราจะไปพูดคนจริงให้ฟังจะไม่ยอมฟังอาจารย์ทั้งสองเนี่ยก็เลยเนื่องว่าตายแล้วก็ได้หรือว่าตายหมดลมหายใจจริงๆก็ได้คนมีทิฏฐินั่นคือไม่สอบฟังคาพูดของคนอื่น ผิดทุกแล้ได้สอบฟังเอาใจทิฏฐิตัวเองถ้าเป็นอย่างนี้เรียกว่าตายโดยทิฐิไม่ใช่ตายบนลมหายใจก็เลยเลงานไปถึงพวกปัญจวัคคีย์ทั้งห้าเราจะไปโคตรเอาพวกปัญจวัคคีย์ทั้งห้าพวกนี้คงจะชอบเพราะเคยได้สอนกันมาคงจะฟังเหมนเมื่อเดินทางมาก็ปรากฏว่าพบคนนักบวชคนหนึ่งชื่ออุปกาสศีว เห็นพระพุทธเจ้านี่แหละการโมนไปเดินมามีความเรียบร้อยถ้าทีสวยงามไปถามว่าท่านอยู่สนักไหนเป็นลูกศิษย์ของใครครูบาอาจารย์ของท่านสอนอะไรให้พระองค์เลตอบความจริงให้ฟังเลย่เราไม่ได้อยู่สนักไหนไม่เป็นลูกศิษย์ของใครเราตัสรู้ชอบเองโดยชอบอุปการศิลป์คนนั้นก็เลย สลัดหัวไปเลยไม่ฟังเลยเน่คนเราต้องการความจริงแต่พูดความจริงให้ฟังแล้วไม่เอาเลยอันนี้แสดงว่าทิฏฐิคือความเห็นดัง น, นั้นพวกเราวันนี้อย่าพุ่งเข้าใจเป็นอย่างนั้นพิถุต้องพิจารณาทำตามดูมันจะจริงหรือไม่จริงเราต้องพิจารณาดูอันนี้ต่อจากนั้นมาก็แลมารวบลักตัดใจความให้มันสั้น พระองค์ก็เลยไปแสดงธรรมให้พวกปัญจวัคคีทั้งห้าฟังห้าคนฟังรู้คนเดียวคื อ, อัญญกชนญะพวกสี่คนยังไม่รู้เช่นว่าปะพะเจญยรัสาสิหรือใครก็ยังไม่รู้ฟังเพราะไม่ตั้งใจัญญกันญะตั้งใจฟังทุก บ, บททุกตอนเลยรู้เมื่อรู้แล้วพระองค์ก็ให้พวกสี่คนนั้นแนละทา เลริญสติพระองค์กับอยคอรทัญญานี้ไปบินทบาทมาให้ซี่โขนไม่กินว่าอย่างนั้นอันนี้ครูบาอาจารย์เคยเล่าให้ฟังและปู่ย่าตายายก็เคยเล่าให้ฟังเพราะตัวของข้าพเจ้าเอกก็เป็นสาวพุทธปูญยาตายายก็เป็นสาวพุทธเพราะถือศาสนาพุทธมาแต่ไม่เข้าใจว่าพุทธศาสนาแท้จริงคืออะไรอยู่ที่ไหนไม่เข้าใจอันนี้พวกเราอยู่ที่นี่อย่างมาก ตามาก็จะว่ามีมากกว่าห้าคนพระสงฆ์ก็มีมากกว่าห้าคนและท่านกําลังฟังธรรมะอยู่เดียวนี้ก็เป็นนักศึกษาผู้มีคนรู้อย่างน้อยก็ต้องอมห้ามหกหรือปริญญาทั้งนั้นส่วนมากเขาต้องเป็นปริญญาลนะมาฟังนี้เป็นครูก็มีเป็นอะไรก็มีคงจะมีปัญญามากฟังแล้วก็ต้องพิจารณาคงจะรู้ไม่มากกว่าน้อยอย่างนี้ ดังนั้นวันนี้จิงหวังพูดควมจริงสู่กันฟังเมื่อข้าพระเจ้าเองอายุสี่สิบหกปีได้ประเจริญสติแบบงายง่ายนี่แหละเคลื่อนไหวโดยวิธีจกักรให้มีสติตามรู้ทีแรกไปขอกรรมฐานจัดย้งคํานี้อีกให้ฟังขอกรรมฐานจากอาจารย์อาจารย์ก็ให้กรรมฐานมันต้องมีครูนะครับนั้นจะมีครูทําอะไรต้องมีครูทั้งนั้นท่านก็สอนให้ หายใจเข้าว่าตายหายใจออกว่าตายอย่างมาทำแล้วมันคิดเกลียดคานเพราะเคยทำมาแล้วเรื่องตายหายใจเข้าตายหายใจออกตายมันก็เป็นคำเดียวกันกับว่าหายใจเข้าพุดหายใจออกโธหรือหายใจเข้าสั้นออกอยามันเป็นอันเดียวกันมันคิดอย่างนี้ขึ้นมาแวกในมันสมองก็เลยไม่อยากทำเมื่อไม่อยากทำแล้วก็เลยทําวิธีที่เคลื่อนไหวนี่แหละเล่น ไม่เอาจริงเอาจังนะสมัยนั้นอยากมีฤทธิ์อยากมีเ ด, ดอยากมีอนนานาจอยากเป็นผู้ปักเผ็ุหายโวได้หได้มันเข้าใจผิดทั้งนั้นเรื่องเหล่านี้ของไม่จริงมันจะมีมาได้อย่างไหนสมัยนั้นอาตมามีคาถาเรื่ อ, มองมนคงคงมีดคงผ้าคงปืนอย่างเนี้ยเรียนกับอาจารย์อาจารย์สอนให้ ก็ยังท้อได้ค่ะนันท้องได้เดี๋ยวนี้ลืมแล้วคาถาแล้วมันลืมแล้วเมื่อจเจริญมาตอนนั้นก็เลยนอนมันขี้เกียจ ก, ก็เลยนอนทำน้อยๆบอกว่าผมไม่จะทําจริงๆนะเข้าใจอย่างจะทําอย่างไรไม่ทราบพอดีนอนตื่นมาประมาณตีสามหรือตีสี่คำนวณแล้ตีสามนี่แหละทําเลยจเจริญสติแบกเคลื่อนไหวอย่างนี้นยกมือไปเอามือมา โดนหน้าถอยหลังทําอย่างนั้นอ่ะเจนลุงลงมจริงจริงเอามากระทาเอามาจริงจรงไม่ต้องไปไหนมาไหนต้องทำจะรู้อะไรไม่ทราบเหรอบัดเนี้ยมีจุดไม่จุดเดียวคือขอให้ข้าพเจ้ารู้ตามพระพุทธเจ้าเห็นตามคําสอนขอพระเจ้าจริงจริงพระพุทเจ้ารู้อันใดเข้าใจอันใดขอให้ข้าพเจ้ารู้อย่างนั้นอยาทุงรู้อย่างอื่นตั้งใจว่าอย่างนี้ตกเย็มากะ ไปอาน้ำอาน้ำก็มาทํานอนตื่นมาตอนเช้ามาประมาณตีสองตีสามนี่แหละยังไม่เข้าใจวันนี้พอพอประมาณตีห้าดูลายมือดิฉัยังไม่สว่างดีมันเป็นท่องนาที่ทํางู ก, การเกงขาสั้นข้านั้นน่าขัดเทียบในแมงตองตัวนึงตกลงมามันล่นมาจากจากบนหลังคามาตกเสีขาเนี่ยแมงตอง แล้บ้านอาจมาเรียกว่าแมงอตแมงปองไม่โลกอ่อนมันมีลูกรุ่นลงมาตกลสาขาเนี่ยมันก็เวิ่งตามหาของผมนี่เองแล้วก็นั่งดูนั่งดูมันเข้าใจเรื่องลูกงามจริงๆเข้าใจจริงๆแบบเนี้ยเข้าใจเรื่องลูกเรื่องนามลูกทำนามทำลูกโลกงามโล ก, โลกเข้าใจทุกขังอนิจจานัตตาเข้าใจเรื่องสมมุติศาสนาพุทธศาสนาเข้าใจจริงๆ และเข้าใจเรื่องบาปเรื่องบุญต้นเหตุของบาปต้นเหตุของบุญเข้าใจจริงๆในสัญญะนั้นเข้าใจทราบซึ้งโดยไม่เก้อเขอินอันนี้ก็แว บ, บขึ้นมาครั้งเดียวมันรู้จริงๆรู้ที่ตรงนี้รู้พุทธศาสนาเกีจยวรู้ที่ตัวเราสอนขอไม่จริงจะ่จริงได้ทําไหมเมื่อรู้จริงๆแล้วมาลูกขอตัวเองมาเจิมนลแบบเนี้ยคาถา กลมทุลี่ทุลีจนหาหาที่กูบายสอนให้ขอกูมีแท่นทองกั้งพาจนหาผักแกนปันหินเตี้แก่นปันเหล็กจนลูกคอที่มันไม่มีแท่นอีกแท่นทองตอกใจเลยนั่นตาเล้าไปเลยเพราะมันคนโกหกกันแล่วเราไปฟังคำอย่างที่ไม่จริงจะจริงได้ทำไมถ้าไปโดนเขาฟันเอาก็ตายเลยข่าวนั้นไม่รู้จริงๆเลยไม่เชื่อได้จริงนะนั้นเป็นเรื่องสมมติสอนเด็ก สอนคนที่ยังไม่สลัดสอนเด็กให้มันถือว่าเป็นที่พึ่งได้อันนี้แหละหน่าตกใจน่าวาดเสียวที่เรากําลั ง, ลงหลงไหลกันไปไม่รู้ของจริงที่จะนํามาเล่าให้ฟังในวันนี้จะพูดของจริงโดยเฉพาะที่ประสบมายื่อรูปนามจดแล้วเนี่ยไม่กลัวผีเลยไม่กลัวจริงจรงผีก็ไม่กลัวเทวดาก็ไม่กลัวไม่กลัวใครที่ไหนทั้งหมดเลย กลัะถ้าเจอคนเอาปืนมายิงจริงๆกลัวเนี่ยถ้ามาฟันจริงมกลัวเนี่ยเรื่องคถาเวทมนต์ผีเนี่ยโอย้ไม่กลัวแล้วไม่กลัวเดี๋ยวนี้ใครมีงัวธนูคูหน้าน้อยแท่หนังบางฟันเป็นเอามาเลยเซอเลยนะในมนมาเลยถืออยู่ที่ไหนแข็งแรงไปบอกมันมากินหลวงพ่บ้าบ้ามันได้อไปบอกมันมาเลยดวงส่วนมันมาจริงๆไม่กลัวเลย นมื่อว่าผีต้องกลัวจะมาจริงๆจริงๆ ร, งรงผีต้องกลัวจริงๆรงผีมันดื้อไหมบุกบ้านอยู่เป็นไหมบุกไม่เป็นก็เรานี่เองเป็นผีผีคือกาลังพูดเพื่วคิดเพื่อทําเชื่อนั่นเองเราเคยได้ยินไหมคนในททดทําพั่วพูดเั่วไอ้นี่คือผีมันคือผีแต่จัวผีมันไม่เห็นจริงๆรันถ้าเป็นผู้หญิงหรอานางนี่คือผีเหรอมันคือผีแต่มันไม่ใช่เป็นตัวผีมันเป็นขคนี เราเห็นจเจตียนเป็นคนเท่านั้นเองเห็นพระเจ้าพระสงฆ์ก็เหมือนกันพระเจ้าพระสงฆ์ท่าโก้ขึ้นมากับพระองค์นี่ก็คือผีเนี่อนุก็คือผีแต่ตัวผีมันไม่มีดังนั้นให้พวกเราได้เข้าใจว่าผีคือคนทําชั่วพูดชั่วคิดชั่วลอกลวงโกหกทูกตนแบบนั้นแบบผีแต่ตัวผีจริงๆไม่มีนี่แหละให้เราเห็นผีจริงๆเทวดาแบบเนี้ยคนพูดดีคิดดี เย็นเยอน แ, แจมใสวะโอ้คนนี้คือเทวดาเนี่ยคนยู่ดีกินดีโอ้คนนี้มีบุญเนี่ยเราไม่รู้ว่าบุญคืออะไรอยู่ที่ไหนไม่รู้ก็เลยรู้เรื่องนี้ขึ้นมารู้จริงๆเรื่องนี้พวกมันมีในคนทุกคนพูดแล้วสั่งได้ท่านผั้ฟังอยู่ในขณะนี้ฟังแล้วก็เข้าใจว่ะตัวศาสนาจริงจิคือตัวคนศาสนเปร ะ, ะคําสั่งสอนของท่านผู้รู้สอนเข้าหูเราเนี่ เมื่อสอนเข้าหูเราเรต้องจำที่จะมาถึงอ่ะทุกคังอนิจจังอนัตตาพ่อ แ, แม่ปู่ย่าตายายสอนมาแม่ครบาอาจารย์สอนมาว่ะทุกคั้งตัวผลไม่ไหวอนิจจังเป็นไม่เที่ยงอ น, นัตตาบังคับบังฟ้าไม่ได้ท่านว่ะผมงอกันหักเมื่อบางเทนั่งนานานมันเจ็บหลังเจ็บเอวปวดแข้งปวดขาท่านสอนมาอย่างนั้นแต่ความจริง้มันถูกหน่อย ไม่ถึงห้าสิบเปอร์เซ็นยังมากสามสิบเปอร์เซ็นตแต่ควาจริงที่พระองค์สอนให้กําหนดในอิรลียบ ท, ทั้งสี่คือยืนเดินนั่งนอนและอิเลียบที่ย่อยคู่เหยียดเคล่นไหวให้เรามากําหนดตัวอิเลียบนุนี้มันมีปัญญาตาละตัวพร้อมปัญญาพลัมีมันอยู่ที่ตรงนี้ไม่สวัสทานแล้วได้ตัดพันกันสร้างสมอดลงมาแล้วดังนั้นจังมีอันนั้นเป็นการเข้าใจน้อย พระองค์มีความหมายให้เรามากำหนดในอิริยาบถที่เองเมื่อกำหนดในอิริยาบถแล้วตัวสติตัวสมาธิตัวปัญญาคล้ายๆกันเดียวกันแต่ว่ามันเป็นคนละคำกันานั้นเองตัวสติเข้าไปรู้สมาธิก็คือควนตั้งใจกำหนดลงไปปัญญามันรอบรู้รอบรู้ในตัวเราที่เองตัวอิริยาบถมันเป็นตัวทุกคนเรามันเป็นก้อนเมื่อชนิดหนึมันทุกจริงๆ ทุกไปว่านไม่ไหวมันไม่ไหวคือมันคิดตามันหายใจมันนึกมันคิดเส้นเอ็นแล้วมันก็ยึดระยักยอยู่ตลอดเวลานี่ทุกตัวนี้เลดทุกขังทุกทนไม่ไหวอันนี้จังคือมันไม่เที่ยงนั่งนิ่งนิ่งไม่ได้อน้าตาบังคับบรนดาไม่ได้อันนี้เป็นตัวมันเมื่อเข้าใจอันนี้มันจะมีความภูมิใจว่าเราเห็นเรารู้เราเข้าใจศาสนาอย่างถูกต้องเนี่ยเข้าใจอย่างนี้ ตัวข้าพเจ้าเองหรืเรานี้ฟังความจริงเป็นอย่างนั้นแบบนี้เมื่อนู้นอันนี้แหละมันคิดคิดขึ้นคิดนั้นคิดนี่เลยลืมกลมคิดเลยแบบนี้เลยลืมตัวเราไปเข้าในกลมคิดแล้วมันเลยเข้าไปอยู่ในกลมคิดเมื่อเข้าไปอยู่ในกลมคิดมันคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้ไปไม่มีทางสิ้นจบเลยเลยไม่เห็นกลมคิดลนแบบนี้อันนี้มันเข้าใจอย่างนั้นพอดีตกเย็นมา ไอเดินจมครมตัวไม่เคยดูควาคิดตัวเองเลยไม่เคยเห็นจริงๆตัวของพระพเจ้ า, าไม่เคยรู้กวาคิดจริงๆรงู้เรื่องลูก น, นานรูน้แต่ว่ามันเป็นปัญญาสนิดหนึ่งมันรู้บั น, นี้เดินไปเดินมาคล้ายๆก็มีคนผักตรงข้างนี่เองรู้เอ๊ะมีคนมาผักดันเาที่ไหนมีอะไร ม, มองไม่เห็นเลี้ยวไปที่ไหนก็ไม่เห็นก็เดินไปเดินจม ก, กงมกงญญั้นแหละ ไปกลับมามันคิดลูกกุ้งในครั้งที่สองนูแต่อย่างไม่เข้าใจพอดูมันคิดข้งหนูที่สามมันรู้จริงแหละแบบอ๋อคิดตรงนี้เองมันคิดทําเหมือนแมวกับหนูแบบเนี้ยหนูเนี่ยมันตัวโตโตแมวมันตัวเล็กเล็กพอดีหนูออกมาแม่มันตัวเล็กกะตะคบหนูพราะแมวกับหนูมันเป็นของศัตรูกันมันตรงกันข้ามตะคดหนูหนูมันตัวโตมันก็วิ่งไป แมวตัวนั้นก็ติดหนูไปเพราะกาลังมันไม่พอมันงานๆมามันเหนื่อยกับวางหนูหนูก็พ้นตายไปเรามาเปรียบเทียบอย่างนี้ในขณะนั้นวันนั้นแหละอ้าวบัดนี้จะไปโทษหนูจะไปโทษแมวโทษไม่ได้ออเข้าให้แมวกินมากๆพอดูแมวมันกินข้าข ว, วขึ้นมาอ้วนๆโตๆขึ้นมามีกําลังดีแล้วหนูก็โตนมาห น, น, นูก็โตนก็โตนก็โจมนะ่ะนะที่มันมกระโดดลงมานะั่นน่ะ กระโดมาแมวมันเห็นมันจะคุตอย่างแรงเลยเมืม่อตะคุตอย่างแรงหนูมันกระเดกตัวไม่ได้เมื่อกระเดกตัวไม่ได้ก็เลยเลือดหนูก็เลยไม่วิ่งเลยแมวกินหนูเลยไม่มีเลือดเราเข้าใจอย่างเอามาเปรียบเทียบไว้อันนี้พอเราให้ฝังจนมันเป็นเด็กเหรอเสือไม่กินแมว ย, ย่างหนึ่งเพราะแมวเป็นครูของเสือเสือเก็ลูกที่ไหนต้องมาเอาเมียไปสอนสอนให้วิชาความรู้คือ ที่กินมีเลือดเสือกินมันมีเลือดแต่แมวกินไม่มีเลือดให้สอนให้ลูกเสือแต่ความจ ร, รถถิงท่านก็ไม่รู้ท่านก็สอนไปอย่างนั้นแหละความจรง stadium, มิงแม่มันจับหนูจับอย่างแหลมมันตกใจมันก็เลยสะบั้นไปเลือดมันก็เลยไม่มีสายเลือดมันไม่วิ่งไปเลยเนี่ยเข้าใจอย่างนั้นอันนี้แหละที่จะเจลิศสติเนี่ยจะเิญมากๆอย่าไปคิดว่าอะทําไมยังไม่รู้ผมคิดรู้ไม่รู้ก็ตามมัน ตริดมากๆ ก, ก็เลยรู้ควมคิดตอนนั้นรู้ตอนนี้รูส้สมมติามของความคิดต้นเหตุของความคิดต้นรูปของควคิดอันนี้เรีถ้าเปรียบกันให้เห็นก็เป็นวัตถุเป็นปรามัดเป็นอาการวัตถุนั่นหมายถึงของที่มีอยู่ในโลกวัตถุหมายถึงของที่มีอยู่ในตัวเราคือตัวเราปรามัดกำลังสัมผัสอยู่มีอยู่เป็นอยู่อย่างที่ท่านทาหลาย มองข้าพเจ้าเดี๋ยวนี้นี่แหละกำลังพูดอยู่เนี่ยกำลังสัมผัสอยู่เดี๋ยวนี้อันนี้เป็นปรามัตย์อาการหมายถึงสภาพความเปลี่ยนแปลงไปมันเป็นอย่างนั้นเมื่อโทสะโมหะโลภะนี่มันจางหายลงไปทันทีในขณะนั้นน้ำหนักตัวของข้าพเจ้าเองคิดมุกประมาณเอาไว้ร้อยกิโลเมื่อนู้อันนี้แหละจิตใจมันเปลี่ยนแปลงหน้ามือเป็นหลังมือแต่ไม่ใช่เปลี่ยนแปลงควบอย่างนี้นะ คือหนักมันเบาขึ้นมาทันทีหนักแ้วมันเบาทันทีโน้มมันสว่างขึ้นมาทันทีหวามนน้มมันหายไปความสลัดมันขึ้นมาแทนนั่นหนักร้อยกิโลอึ้งอยู่ในสมัยนั้นสลัดทิ้งได้ทันทีหดสิบกิโลอย่างน้อยที่พูดตามในขนาระยะที่มันเป็นันแปดสิบกิโลวอย่างนั้นเอาไปแล้วโทสะโมหะโลภะไม่ต้องสงสัยและเขานี่ มันเปรียบเทียบกับควยเถกคือควยควยเถกน้อยกับควยเถโตโตเนี่ยในสมัยนั้นมันต้องเปรียบเทียบอย่างนั้นเพราะไม่มีความรู้อะไรมากควยเถน้อยทีแรกมันต้องออกไปมันต้องฟ้องแม่เซิรเอาไว้พอดีมาเห็นควยโตโตโตโตควยเถกง่ายควยคู่โตโตตเนี่ยพอดีมากเห็นเนี่ยมันก็วิ่งหนีเลยมันกลัวมันกลัวควยเถกโตโตตอันนี้ก็เหมือนกัน ความโกความโรคมหลงไม่ต้องสงสัยเลยมันไม่เข้ามาใกล้เพราะเรารู้เราเห็นเราเข้าใจสมุทฐานความคิดหรือซีวิตของเราจริงๆแล้วนี้แหละวิซิลิทมีราคาขึ้นมาเมื่อคนใดมาลู่ที่ตรงนี้อันนี้แหละขอให้พวกเรากำหนดอะไรพระเรียกบุคคลตูดขึ้นที่ตรงนี้อันนี้เป็นพระโดยส ม, มุติสงอันนั้นเป็นพระบุคลส ม, มุติบรญยัต ปร r ม m a t บัญญัติอัฏฐบัญญัติอริยะบัญญัติรู้ในขณะนั้นจริงๆ ร, รู้ตอนแรงประมาณหกโมงกว่าเนี่ยรู้ตอนแรงทุกคนในอย่างนี้คิดสมเพศสงสารเพื่อนมนุษย์ด้วยกันว่าทำไหมเมื่ อ, อไหรจึงจะรู้อย่างนี้ได้ไปสอนกันนั้นทําไหมมันคิดอย่างนี้มาตลอดทุกวันนี้แหละเมื่อพูดขวมงจริงให้เพื่อนฟังบางคนก็หาว่าเราโกหกเนี่ยมันจริงอย่างนั้น คนทุกคนต้องการควดจริงแต่เอาของจริงให้ไม่เอาเลยมีมีพี่สายคนหนึ่งเนี่เอาจนตายเลยลูกชี้ลูกน้องแต่แม่แท้จริงพี่สายจริงจริงนะเนี่มันเกิดบุญกูมึงจะมาสอนกูยังงั้นท่านท่านพูดจางนัง้นแม่แท้มนั้นเป็นโยมไปสอนก็เลยไม่ฟังจริงๆแต่พี่สายคนนั้นรักหลวงพ่อจริงๆริงนานๆมาพูดให้ฟังบ่อยๆก็เลยขี้หยัดหลวงพ่อเลยเรยไม่เข้าใกล้กันเลยแต่ตัวตัวของ หลว่อน ไ, ไปบ่อยๆไปหาพอดูเห็นหน้าไปท่านนี้เลยท่า น, านเกลียดหน้าหน้าไปหูพูดเป็นเรื่องเก่ากันมันไม่มีเรื่องอะไรบักกันนี่มันดีอะไรต่พวกควเก่าเนี่ยให้ฟังถ้าพระเจ้าตัดสั้นรูพ้พะอการทำทางจิตทางใจไปพูดที่ไหนก็ต้องพูดอย่างนี้<ม>พูดเรื่องลูกเรื่องนานให้ฟังเนี่ยพูดควาเก่าดิมึงจําดีประโยชน์อันใดล่ะท่านว่าอ้าวเขาพูดควมเก่าในที่ของเก่ามันก็ต้องเป็นอย่างนี้ถ้าพระเจ้าสอนเรื่องนี้ เราไม่เอาเลยทั้งหัวทั้งเมียตายที่หน่วยสองคนไม่ได้รู้ธรรมะด้วยนี่แหละขอให้พวกเราเข้าใจบุตรเลือกที่สุดเนี่ยข่มโกรธขวมโลกคนลมนหายไปเองแต่เวทนาสัญญาสังขารวิญญาณมีอยู่เวทนาเสวยอารมณ์ไม่ทุกข์สัญญ า, ญญาจำอารมณ์ได้อารมณ์ทุกข์สุขได้อารมณ์เปลี่ยนแปลงได้ในสัญญาสังขารคือไม่ผูกในทางที่ผิดทวมกระแสของน้ำตรงนี้ ยืนยันไปว่ารู้ไม่ใช่ว่ญญายินยานตายแล้วล่องลอยไปอันนั้นอันนั้นอันนั้นเป็นอีกเรื่องหนึ่งไม่ใช่เป็นคําสอนของพระเจ้ารับรองได้จริงๆเรื่องนี้งดลองได้แค่ไหนร้อยเปอร์เซ็นเอาคําพอบรสอนแล้วก็สองร้อยขึ้นมาก็ได้พันนูลได้จริงจริงดลองสารเร่องนี้จริงจริงถ้าพเจ้าไปปฏิบัติมินานจึงก้ายืนยันว่าทุกคนต้องรู้เรื่องนี้ก็อขอให้ออกเป็นมนุษย์ เหมือนกันนี่แหละเป็นคนเหมือนกันนี่แหละรู้จริงๆริงในขณะนั้นไปปฏิบัติด้วยกันมีพระยี่สิบสามลูกมีโยมห้าคนด้วยกันรู้ไม่เหมือนกันจริงๆเพราะมันเป็นคนละคนกันทางกระทาไม่เหมือนกันมันก็รู้ไม่เหมือนกันนี่แหละไปปฏิบัติมาแล้วมาสอนทีสอนน้องว่าเมียก็ได้แหละว่าอย่งไก็ได้มีมีเมียคนนั้นเน่ยมีไม่เอาไม่เถียมเนี่ยเป็นเมียก็ได้มาสอนเขาเจ้าเขานั้นเนียไม่มีปัญญาสอน สอนรู้แต่นานแต่ว่าโต๊ะอบรมนิ่ปัจนาสอนที่น้องบ้านเมืองอยู่สามปีจะมาบวชเนี่ยอันนี้มันเป็นสมมุติจริงๆแต่ว่าจริงโดยสมมุติแค่เข้าใจว่าสมมุติเอาอะไรมาห่มมันก็ปิดอันนั้นแหละเอาผ้าดำมาห่มมันก็ห่มได้เอาผ้าแดงมาห่มมันก็ห่มได้มันเป็นสมมุติแต่ตัวจริงนั้นคือพุทธศาสนาคือตัวชีวิตจิตใจที่สะอาดสว่างสมงบนั้น มันมีแล้วหมายคนทุกคนไม่ยกเว้นทีเดียวรับรองได้ทุกคนอยู่ที่ในมีเหมือนกันให้รับรองได้ถ้า ท, ท่านเอาที่ไหนมาพูดเดี๋ยวนี้เนี่ยท่านดมันงอยู่ีนนีน้ดีโกรธไหมนัดรอว่าไม่มีใครโกรธถ้าโกรธเนี่ยโกรธลองดูทีโกรธขึ้นมาเนี่ยอาตนมาจะเป็นคนดูอย็กเพื่นที่สุดใมมนโะกโกรธขึ้นมาจ้อยเลยไม่มีใครโกรธเลยลักเมื่คนโกรเกิดขึ้นนั้นเรามีทุกข์กเราลืนตัว ทันทำน่าดูโมหะพ่อแม่ปู่ย่าตายายสอนว่าอย่าเล่นตัวมนะท่านสอนอย่างนี้เราพูดกันได้แต่ไม่เข้าใจพูดกันได้แต่ไม่เข้าใจเท่าแสดงจิตใจสวยๆหรือชีวิตสวยๆจะเนี้ยื่องอุเตขามันมีแล้วในคนทุกคนไม่ยกเว้นมาสอนกันเรื่องนี้นเองเพราะทุกคนไม่ต้องการความคุ้มเราไม่ต้องการคนทุกข์ก็พูดควมจริงสู่คนฟัง เมื่อพูดความจริงสู่คําสั่งแล้วคนก็เลยหาว่าโกหกหลอกลวงเนี่ยมันเป็นอย่างนั้นแต่ความจริงคนคนนั้นไม่เข้าใจเท่านั้นเองเมื่อคนนั้นตั้งใจฟังจริงๆเ อ, อ้หลักศรณะควมไม่โกรธไม่มีแล้วในคนทุกคนคิดเท่นี้ก็เรียกว่านิพพานนิพพานตะความไม่โกรธนั่นแหละไม่ใช่ตายแล้วจึงเอาถ้ า, าไม่พานมีจริงๆรตายแล้วก็ต้องไปนิพพานจริงๆถ้าเราโกรธอยู่เนี่ย ถ้ามันมีคนกรูดอยู่เนี่ยตายแล้วครับไปในโลกเขาต้อไปในโลกจริงๆจบในโลกเดือนนี้นะมันก็ต้องไปจริงๆ ร, รุ่งนี้พอเราให้ฟัง <c oughs> และครูบาอาจากกรย์ก็เคยเล่าให้ฟังคนใดที่จะไปตกในโลกทันวันมีเจ้าอย่าบาลเอาหนังสุนักเนามาจดซื้อจดเสียงนามสกุลอะไรตายแล้วต้องเจา้าพยาบานเอาบำซีนมาขัางแลับไปในโลกวันทันวัน คนใดจะไปเป็นเทวดามีเทวดาเอากระดาษทองคํามาจดซื้อจดเสียงเอาไว้ตายแล้วต้องไปเทวด า, ท, าท่านสอนอยะไรนะแต่ท่านพูดให้ฟังแล้วมันจำได้มันเข้าในหูคําสอนต่างๆมันเข้าไปในหอูอันนั้นมันเป็นคําพูดจิตใจบราเน่าเปียกแสะมันเหน็บมันโตกขึ้นมาเนี่ยมันเน่าเปียกแสะเหน็นอยู่ยื่งกว่ากองอุจจาระด้วยซ้าไป แต่เราไม่เคยเห็นว่าเราเน่าเหม็นเปียกแส่นี่แหละเราคิดว่ามันดีโอดต้องเอาชนะมึงไม่จักกูหรือเน็ตมันเข้าใจอย่างนั้นไห้เป็นผู้ใดจะไม่รู้จักว่าท่านเป็นอย่างนั้นตัวของข้าพระเจ้าเองก็เคยโกหกเหมือนกันนั่นก็ยังไปพูดว่าจะมาใกล้นะดูมึงเหมือนพอต้มมือนู้ดท้อเสด็จห้อยมันพูดจะไม่เห็นคนเลยจะดูคนไม่เป็นคนและแบบเนี่ยนี่แหละจิตใจมันเนา่าเปียกแสจิตใจสุนัขอันนี้ ไเรียกะมึงเป็นหมาบักหมาอีหมาคือหมาเนี่ยตัวคนจริงคนที่พูดน่ะเป็นหมาคนที่นั่เนี่ยเป็ น, ค น, ปนคนจิตใจเราเป็นหมาเป็นสุนัขจิตใจสุนัขเรากดขึ้นมาแทนแล้วให้เข้าใจอย่างนั้นแกจะเข้าใจก็ได้ไม่เข้าใจก็ได้เ่าสู่ฟังอันเนี่ยอันนี้จะรับรองได้ว่าพุกคนปฏิบัติจเจริญสติประฐานสี่อย่างถูกต้องอย่างนานไม่เกินสามปี อย่างกลางหนึ่งปีอย่างเร็วที่สุดนับตั้งแต่ห น, นึ่งวันถึงเก้าสิบวันอานิสงไม่ต้องพูดไม่ต้องพูดจริงๆจะเข้าใจทราบซึ้งหลักพุทธศาสนาจริงๆศาสนาพุทธศาสนาจะรู้ศาสนาพราม์ก็รู้ศาสนาคิดก็รู้ศาสนาอิสลามก็รู้ศาสนาอะไรรู้ทั้งนั้นเมื่อมีพุทธศาสนาปรากฏขึ้นมาแล้วองรู้พุทธอยู่แปลว่าผู้รู้ ผู้ตื่นผู้บำบาดด้วยทำทำนั่นอยู่ที่ไหนทำคือการกระทำคือการกระทําลงไปนั่นเดียวทำมันเข้าใจอย่างนั้นอันนี้เป็นของจริงจิตใจของคนนั่นน่ะมันจะเปลี่ยนสี่ระดับควมรู้ของคนจะมีสี่ระดับมีรู้จํารู้จักรู้แจ้งรู้จริงควมรู้อันนี้รู้จํารู้จัก จากตำรับตำบราโคบาอาจารย์สอนให้นั้นยังไม่เป็นรูแจ้งยังไม่เป็นรู้จริงยังจะจัดเป็นคนมรู้ของเราไม่ได้เมื่อรูแจ้งรูจริงปรากฏเกิดขึ้นมาจากภายใน จ, จิตใจแล้วอันนั้นแหละเป็นคนมรู้ของเราจริงๆริงจิงว่าสันธิปโกอันผู้รู้จักพึงเห็นเองอากาลิโกไม่ประกอบการและเวลาจะมียุคใดก็ตามจะมีพระพุทธเจ้าก็ตามจะเป็นยุคใดสมัยใดก็มีอยู่อย่างนั้น เรื่องควรรู้ชนิดนี้มันมีอยู่ในคนทุกคนไม่ยกเว้นเอาไปมาให้ฟังเหมือนกับเ ม, ม็ดข้าวเม็ดข้าวเปือกเนี่ยมันอุ้งอ้วนเนี่ยเอาไปเพาะในดินที่ซุ้มที่เย็นแตกทุกเม็ดงอกขึ้นมาทุกเม็ดข้าวเจ้ากางอกเข้าเดี๋ยวกางงอกถ้าขาไม่มีไนบอนเนี่ยเอาไปลงที่ซุ้มที่เย็นไม่มีโอกาสไม่มีเวลาเป่วยเนาเท่งไปเลยอันนี้ก็เหมือนกัน หลักการกระทาถ้ามันไม่ถูกทางแลี่จะทํำขนาดไหนมันไม่ปรากฏเมื่อทําถูกแล้วมันปรากฏขึ้นมาในตำราท่านสอนเอาไว้มีในหนังสือทําให้วิจารณ์ผมรู้ําสั้นเอกอาจารมาไม่เรียนสั้นเอกบอกอ่านหนังสือไม่เป็น อ, อ่านดูเอาฟังไปแล้วไปเห็นผู้ที่จะโลนสติปฐานสี่อย่างถูกต้องให้ติดต่อกันเหมือนลูกโซ่ทำไมอย่างนี้ให้ติดต่อกันเหมือนลูกโซ่ นาอาตมาก็เลยอาโซ่มาติกันให้ดึงให้ดูอย่างนี้ทําให้ดูแต่มันมันเพียงทําให้ดูทําให้ดูมันเป็นเรื่องสมมุติไม่ใช่เป็นของจริงเื่อะสมมุติบัญญัติอยางงานเจ็ดปีอย่างกลางเจ็ดเดือนอย่างเร็วที่สุดนับตั้งแต่หนึ่งวันถึงเจ็ดวันหรือสิบห้าวันอาในี้สองมีสองประกาศทันวันนี้เป็นพระอหรหันต์ในปัจจุบันครบนี้ถ้าหากไม่ได้เป็นพระอหรหันต์ในปัจจุบันครบนี้ ต้องเป็นพระอนาคามีเอลงอันนั้นเรื่องเรื่องตำราแต่คำพูดละสามปีนี่ไม่ใช่ตำราเด็ดนี่ยตัวบุคคลผู้ที่พูดเรวนี้นี่แหละยืนยันนับรองว่าจะเอาชีวิตเป็นประกันเอา้าถ้าหักคำทป็นสามปีให้ติดต่อกันเหมือนลูกโซ่ถ้าไม่รู้เล่ากเา็เอาปืนมายิงก็ได้เอาม็ดเอาพามกปันก็ได้จะเอาระเบิดมาโยนใส่หัวนี่ก็ได้เพราะมันไม่เป็นของจริงคนมีจริงต้องพูดควมจริง ไม่ต้องเกรงขามอะไรทั้งนั้นเพราะว่าเราเคยได้ยินได้ฟังกันมาแล้วว่าเสียสละศักดเพราะรักษาอาวัยวะยอมเสียสละอวัยวะเพราะรักษาชีวิต ย, ยอมเสียสละชีวิตเพราะรักษาสัตว์จากธรรมควรจริงมันมีอย่างนี้ต้องยอมไปอย่างนี้ทำสอนขอพระเจ้าท่านก็นไม่กลัวใครทั้งหนดเลยเพราะมันมีในคน้งถนัดสอนให้คนรู้คนที่มีปัญญามีศรัทธาจริงๆต้องรู้ ยังอั ญ, ญโยรมทัญญาเนฟังแล้วรู้ทันทีเลยที่คนฟังนั้นอ่ะยังไม่เข้าใจเพราะไม่ตั้งใจฟังอันนี้พวกเราก็ต้องตั้งใจฟังผิดถูกยาเคี่ยวประซบมันต้องทํารู้จะโรภจิติไปทดลองดูแต่ว่าข่าวนี้อาตอมาได้คิดเอาไว้ปรึกษากับเพื่อนว่าเอาข่าวนี้ต้องสอนวิธีอุกกิก นั่งให้มีจังหวะนอนให้มีจังหวะยืนไปไหนมาไหนให้มีสติกับมรู้เราอดกิดไม่ต้องพูดต้องคุยอยากเป็นเวลาน้อยก็าตามเวลามากก็ตามถ้าเวลาเราน้อยไปพูดไปคุยไปหนักเลยไม่รู้ไม่รู้จริงๆเพราะคนพูดคนคุยจะเหมือนเป็มองคิดถัดจะคคำจะพูดมันเลยไม่ไปเห็นจิตเห็นใจมีพูดให้ฟังเนี่ยเรื่องโทสะโมหะโละไม่ต้องอดหรอก เพราะมันมันหายไปเองเห็นแล้วสมมุติน้ำสีน้ำสีเติมกระป๋องเนี่ยนำน้ำสีย้อมผ้าจะเป็นน้าแดงก็าตามสีดำสีแดงก็าตามเอาไปย้อมผ้าขาวถ้าสีมันดีนะกินผ้าขาวจินหมดเลยดำทั้งหมดแดงทั้งหมดถ้าสีนั้วไม้สีมันจางไปสีมันตายไปแล้วเติมกระป๋องเอาไปย้อมผ้าไม่กินเลย อันนี้ก็เหมือนกอนถ้าเห็นสมมติานความคิดนี้แล้วจริงๆเนาะพอดีมันคิดแยกคนนั้นพูดให้คนไม่พูดให้ตัวสติมันจะวิบเข้าไปทันทันทีเลยมันจะไวขนาดนั้นเหละความหลงผิดจึงไม่มีบาปมากที่สุดอยู่ที่ไหนคือความหลงผิดความไม่รู้จริงนั่นเหละบาปมากที่สุดบุญมากที่สุดอยู่ที่ไหนคือความมีสติความเห็นแจ้มความรู้จริงเรียกว่าวิปัสสนา วิบพัฒนาที่แบบแปลว่าเห็นแจ้งรู้จริงต่างเก่าื่องภาวะเดิมต่างเก่าแล้วตั้งแต่เมื่ออายุสีสิบหกปีมาเนี่ยไม่พูดเหมือนเดิมกล้าพูดของจริงให้คนฟังจะเอาชีวิตถวายไว้ทุกคนข่อทุกคนไม่กลัวไม่กลัวถ้ารู้อย่างเนี้ไม่กลัวถ้าหากกลัวยุ่งนั่นไม่ใช่เป็นรู้ของจริงรู้ของไม่จริงคือรู้ของจริงต้องยอมพ่อเป็นการไถ่ถอนชีวิตของทุกคน กคนต้องอยากรู้อันนี้ทานจากพันนางก็ทานไปเถอะถ้าไม่เห็นอันนี้เราความโกรธความโลกความหลงไม่หายไปเลยสมมติให้ฟังอีกพักหนึ่งเราทําบนมากๆตัวของข้าพเจ้าเองสร้างโบสถ์หลังหนึ่งพวกแดงคาเขียนนี่คงจะรู้ประวัติของหลวงพ่อเนี่ยรู้ไม่ต้องไปเรียกอะไรใครทั้งหมดเลยเพราะมีเงินพอใช้สร้างคนเดียวเลยสร้างโบสถ์ขึ้นมาแล้วมันยังโกรธเต็มยู่นี่มันยังโกรธคนนั้นคนนี้ได้เนี่ยมันเป็นอย่างไง ก็เรื่องเล็กน้อยแต่เราไปหาของมันมากเกินไปทานมันดีแล้วถ้าเลิกละจากคมโกดได้ดีแล้วทางร้อยล้านพันล้านยิ่งดีไม่คานก็ดีแบบเนี้ยถ้ามันไม่โกดแล้วมันดีแล้วคูดจริงๆว่าคือไม่โกดเนี่ยมันดีมันนี่มันเป็นเหล็กเหนียวเมื่อท่าฟันไม่เข้าจริงๆอันเนี้ยแปลว่าฟันคนต้องเข้าเข้าจริงๆมันเป็นเหล็กเหนียวมันสามารถยืนยันรับรองว่าถ้าเราสอนอย่างนี้วิธีนี้ มันเข้าใจอย่างนั้นนี่สมมติว่าเราปลูกบ้านหลังหนึ่งสวยๆ ส, สร้างหมดเงินจากพันล้านก็ดีเราขนคัวขื้อไปนอนที่นั้นแบบนี้ได้จากสองวันสามวันอนา ม, มันเชื้อเพลิงไปเทลงไปมี่แค่คิดนขั้นเดียวเอาไปจุดเป็นไฟแล้วไปแตกไฟนะ้ำมันเชื้อเพลิงเนยไฟไหม้หมดเลยบ้านเรานมืไฟไหม้บ้านของเราแล้วฝนตกเราก็นั่งอยู่ที่บ้านเรานั่นแหละติไฟไหม้แล้วมันตี๋ บ้านนี้เมื่อแดดออกเข้ามาเราไปนั่งอยู่ท่ามันร้อนมันจึงพึ่งไม่ได้ควรจิงและพระพุทธสอนว่าตนเป็นที่พึ่งของตนท่านครใครหนอจะพึ่งได้ตนเป็นที่พึ่งของตนเน่ะเดี๋ยวนี้เราไม่พึ่งตนเองแล้วต้องไปพึ่งถี่ไปพึ่งเทวดาไปพึ่งใครที่ไหนไม่ทราบในเรื่องพึ่งตัวเองจึงไม่มีที่พึ่งคนนู่นไม่มีที่พึ่งตนโดนเสาะแสแวงหาที่พึ่งเกาะไตมีอะไรเกาะไปติดไปท่านมันเอง บัดนี้ตั้งแต่บัดนี้วันที่ยี่สิบสองมกราคมสองพัน้า้อยยี่สิบตรงกับวันขึ้นเ้าคำ่ำวันเสาร์เดือนสามกับต้นศีวิตใหม่พวกเรากลับมาศึกษาต้นต่อของศีวิตของเราจริงๆอย่างนานไม่เกินสามปีรับรองถ้าหังว่าข้าพเจ้าพูดโผ่หกเให้ข้าพเจ้าตายเดี๋ยวนี้ก็ได้แซงตัวเองพวกคนไม่จริง คนโอหกคนหลอกลวงอยากเป็นมนุษย์หลอกลวงมันไม่ดีอยากเป็นมนุษย์หลอกลว ง, น, น, น, ลลวงนับลองไม่ว่าไม่เกินสามปีจะถึงที่สุดของทุกห้าคนเก่งห้าคนไม่ตรงนับรองว่ะเรื่องโทสะโมหโมะโลภะควรยึดมั่นถือมั่นเนี่ยหายไปจางไปหายไปมันจะไม่มีทุกข์แค่ไม่มีทุกข์ก็พอแล้วเอาแหละแค่นี้ก็พอแล้วไม่ต้องการเมืองสวรรค์อยู่บนฟันฟ้าละ ในสวรรค์อย่บนสันฟ้านกคนที่ไม่เข้าใจเทวดาคนเดียวเนี่ยเอเทวดานางเทวดาผู้หญิงห้าร้อยคนตัวเทวดาคนเดียวแล้วลองคิดดูกรุงเทพนี่เมีสองคนทะเลาะ ก, กันสามคนทะเลาะ ก, กันขึ้นไปบนสวรรค์นเนี่ยเทวดาห้าร้อยคนตัวเทวบดรองคนเดียวเนี่ยมันจะทํากันอย่างเมืองนรกแค่ก็จะว่าเมืองนรกกุ่มปั้มกันอยู่เมืองสวรรค์มันตกลงมาที่ดีคอหักตายเลย พอหักตายเลยใครชอบตายเดี๋ยวนี่ยไม่มีใครชอบเลยข้าวหนึ่งไปสแสดงธรรม ท, ที่จังหวัดบริลลัมมีคนอัถรรพทิฐมไปถวายอยากไปนิพพานคนอย่างน้อยคิดว่าเป็นหลายร้อยคนถานโยมัอยากไปนิพพานไม่อยากไปนิพพานหนอยากไปนิพพานาไห ม, มอยากได้ใครต้องการตายเลยเลยยกมือเลยนิทิดไปเลยไม่อยากตายไม่อยากตายไหมไม่อยากตายอัน่นทาไมจะพูดอย่างนั้นคำพูดของโยมแถวนั้นเมื่อจะถวายกปฐม สุดทีนางมัจเตเมทานางอาสาวะขยาวหังโหตุข้าพเจ้ายินดีในทางการถวายของข้าพเจ้านี่จงถึงซิ้งความสิ้นไปแห้งอาสวะกองกิเลสเครื่องรองซ้ำดานท่านกล่าวว่าพระนิพ่านแม้นอนาคตกาเรเบื่อหน้าโน้นผลตายได้จึงอมนิพานก็เลยถามโยมอยากตายไหมไม่อยากตา ย, ไ ม, ย, าตายไม่อยากตายก็ต้องอมนิพานเดียวนี้ข้าท่านโยมอยากตายจะอมนิพานต้องรีบตายเดียวนี้ เมื่นมีมีผ่านตายแล้วต้องเอาเดี๋ยวนี้ก็ต้องตายเดี๋ยวนี้อันนี้เราไม่เข้าใจมิพานมันมีอยู่แล้วในเรานี่เองบัด น, น, นี้เราก็ต้องปฎิ نه เอาเนื่องจากหลังตายแล้วมันลยไม่รู้ลยไม่ได้อันนี้ขอให้พวกเราเข้าจหวัดนิพานคือความปก ต, ติคือความสะอาดสว่างสงบจิตใจบันเมฆขึ้นจิตใจบนันสวยสวยสิริบนันสวยสวยไม่ทุกข์ไม่สุขนั่นแหละตัวนิพานให้เข้าจัวัดนิพานคือไม่ทุกข์ไม่สุข เเหนือดีเหนือชั่วเหนือทุกเหนือสุดเราไม่เข้าใจที่ตรงนี้เมื่อมาสอนที่ตรงนี้คนก็เลยไม่ชอบไม่ชอบจริงๆอยากฟันโมขุณเอาเรื่องสมมุดมันพุกต้องตามมาแต่ว่าดีกว่าทุกแต่คขามันมีทุกสุกก็ต้องมาสุกมาพุกก็ต้องมามันตรงกันข้ามเราต้องไม่เอาทั้งทุกทุกก็ไม่เอาสุกก็ไม่เอาเนี่ยสบายใจอันนี้เรียกว่าผู้ข่มจริงสู่ฟันฟัง ที่สุดของพวกนั้นเราต้องดูผมคิดจะสมมติให้ฟังนเีเคยเคยเปรียบเทียบต่างหมนุนเสาเสื้อมาพูดไอ้เส้นเสาเนี่ยตัดตรงกลางพอได้ตัดแลว้วไปเสื้อไหนลอนมันโคไปผลังทางกันเลยดึงเข้ามาจูางกันมันจูงจะมัดตรงกลางมันไม่ติดแต่ว่าใช้งานไม่ได้เอาไปใช้อย่างอื่นได้มันเป็นอย่างไงหรือจะเปรียบอีกอย่างหนึ่งคือติงที่มาเกาะเราเราไม่ต้องไปจับปิง เอาปูนกับยาไปผปสมน้ำรีดเอาน้ำยากับน้ำปูนราดนว่อลงไปพอดีมันไหลลงไปที่ตักปิ่นปิ่นมันล้นคนเดียวมันเลยมันเป็นอย่างนั้นจริงๆริงรบรองว่าพระพระเจ้าสอนจุดนี้จริงๆเคยได้ยินหนึ่งเนี่ยว่าพระองค์พระพุทธเจ้าเนี่ยไปบวรระดับผมครั้งเดียวผมพระองค์ไม่ยาวเลยอันนั้นเป็นคำพูดแต่เราไม่เข้าใจ หลักนี้แหละเป็นหลักสําคัญที่สุดในคําสอนของพุทธศาสานานี้เมื่อคําสอนของเจ้าสายจิทถะอมานสอนจุดนี้เรียกว่าเป็นพุท ธ, ธคือทขเรยกอยู่ในจุดนี้เมื่อเราพบจุดนี้แล้วนั่นแหละคนใดรู้จุดดังกล่าวคนนั้นถึงที่สุดสองทุกคือจะไม่ทุกต่อไปแล้วเรืนี้ดังนั้นขอให้ท่านทั้งหลายผู้ฟังในวันนี้จงจดจําและนําไปประพฤติธปฏิบัติอาตมา มาอยู่ที่วัฒนธรมในนี้ไม่มีอะไรจะสนองตอบแทนทั้งหมดเลยนอกจากที่จะพูดคำจริงนี่แหละให้ฟังเท่านั้นพนที่สูสมีมาเนองก็เช่นเดียวกันอยากคิดว่าจะสอนเรื่องนั้นเ่ยไม่สอนจะสอนของจริงที่มันมีอยู่ในคนทุกคนนี่แหละจะพูดให้ฟังไม่ใช่สอนแนะแนววิธีปฏิบัติต้องไปทำเอาเองถ้าอยากรู้ไม่อยากรู้ก็เป็นเรื่องของละคนมันไม่เหมือนกัน ดังนั้นท้ายที่สุดนี่อาตามาพ่อมด้วยะ ส, สงฆ์และญาติยโยมมานั่งฟังธรรมะอยู่หน้าปรานที่นี่อาตามาขออ้างอิงเอาคุณของพระพุทธเจา้าและพระธรรมคําสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสมาัมพุทธเจ้าและคุณของพระนันต่าสาวกพระสัมมาสมาัมพุทธเจ้ามาตือนจิตสกิดใจของพวกเราทั้งหลายให้พวกเราทั้งหลายจงหันเข้ามามองลงไปที่จิตที่ใจบร น, นึกมันคิดให้รู้ให้เข้าใจอย่าเข้าไปเกาะในคนคิด เมื่อเห็นคงคิดว่ามันจับขาดศูนหนอนเหมือนแมวจับหนูหนูตัวเล็ก อ, อหนูตัวโตวแมวตัวเล็กจับหนูหนูมันแรนมันแรงจะต้ํานหนูไม่ได้เราต้องเอาเข้าวให้แมวกินแมวมีกําลังแล้วมันจะจับหนูหนูก็ต้องตายทันทีตัวสติตัวสมาธิตัวปัญญาก็เหมือนกันมันจะทําลายโทสะโมหะโลภะอย่างแน่นอนอยิงให้ฟังก้าพูดอย่างนี้ เพราะว่าคนมันมันมีดีไม่ต้อวดดีนะเนี่ยคนอวดดีกับคนมีดีมาพูดซู่กันฟังมันไม่เหมือนกันคนมันอวดดีสวยๆแบบอ๋อกอันนี้อวดดีอีนางอันนี้อวดดีเนี่ยครับว่าอวดดีคนมีดีเอามาพูดท่นนี้ยิ่งมารับรองได้มันมีนะมันจะรับรองได้ขอให้พวกเราทุกคนจงจงพยายามตั้งใจทํากันจริงๆอ่าเสร็จแล้วก็นี้มนลุกได้ครับถ้าไม่มีทุนละอะไร เดี๋ยวมีทุลารถามก็ถามได้ญาติโยมก็ถามได้ไม่มีใครถามก็จะลุกหนีแล้วนี้่ไม่มีใครถามเลยไม่มีใครถามก็จะลุกลอนอนมีคนลุกได้ครับ